ทำไมเด็กๆพ่อไปฝากไว้กับคุณย่ากับน้องสาวของคุณพ่ออยู่กันสามคนที่สุพรรณบุรีอี้โกยีกโกกับอามาอ่าไปอยู่ในอ า, ายุประมาณสักสามขวบเนาะสามถึงประมาณสักสิบขวบอยู่ที่สุพรรณแล้วพอสิบขวบแล้วเขาก็ให้ไปอยู่กรุงเทพไปเรียนที่เซเว่นเดย์ อะไรอะไไม่ได้อยู่ด้วยกันอยู่กันประมาณสักสิบเจดแปดปีตันนั้นก็ไปไหนก็ไปกับอาม่าไปไปไหนก็ไปกับแกแกมากรุงเทพมาดูงิ้วก็ดูแก ก, กินเจก็กินเจกินเจเนี่ยชวงกินเจก็กินเจใส่ชุดขาว สมัยนั้นก็พูดภาษาจีนนะพูดภาษาแต้จิว๋วเอายาเขาพูดภาษาไทยไม่ได้แต่พอมาเรียนภาษาอังกฤษก็เลยไม่ได้พูดภาษาแต้จิว๋วอะ ไ, ไตอนนี้พอฟังได้แต่พูดไม่ค่อยได้สมัยนั้นปีหนึ่งอาจจะเห็นพ่อสักครั้งพ่อแม่มาเยี่ยมสักครั้งะฉะนั้นพ่อแม่ก็ยังระเหยเลือนล่อนไป หางานไปทำงานที่ต่างๆพอเขาก็ไปรับงานก่อสร้างทำอะไระไปหลังก็มันมาตั้งลอกลากอยู่ที่พัทยาก็เลยไปรับตัวมามาอยู่ที่พัทยาแล้ส่งให้ไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพเพื่องกรุงเทพใจก็ตั่งจบจบพาย h o ูล แล้วก็กลับมาอยู่พัทยาอยู่ประมาณปีกว่ามาได้งานที่อุตเภาอาะฉนั้นเขากำลังสร้างสนามบินอุตภเปาเองก็เลยได้เป็นล่ามทำงานก็เลยได้เก็บเงินอยู่ก้อนหนึ่งเลยติดต่อไปเรียนหนังสือต่อที่สหรัฐก็ไปเองทำเองทุกอย่าง พ่อแม่เขไม่รู้เรื่องหรอกแล้วก็ทํางานเก็บตังค์ไปแล้วก็พอพอได้เงินพอซื้อเคือซื้อตั๋วมีโรงเรียนรับแล้วก็มีเงินอยู่ก้อนหนึ่งอันนั้นประมาณสักพันเหรียญก็คิดว่าคงจะอยู่ได้สักปีหนึ่งปีแรกแล้วคงจะไปหางานทางอะไรก็ไม่ได้คิดจะขอทางบ้านแล้วแต่เขาจะจะส่งไปหรือไม่ส่ง แต่เขาก็ส่งไปส่งไปให้ประมาณครึ่งหนึ่งของค่าใช้ใจ่ายอีกครึ่งหนึ่งเราก็หาหเองช่วงปิดเทอมก็ทำงานไปเพอะเลยนจบกามากลับมาอยู่พัทยาอีกก็ทำงานที่พัทยาประมาณตั้งหกเดือน mm hmm. ก็ลาออกอีกเพราะนนั้นได้อ่านหนังสือธรรมะแนละ ได้ลองนั่งสมาธิก็ได้ความสงบดีมีความสุขทางจิตใจก็เลยไม่ค่อยอยากจะได้อะไรอยากจะได้เวลามาปฏิบัติก็เลยลาออกจากงานตอนนั้นก็มีเงินอยู่ก้อนประมาณสักหกพันบาทก็คิดว่าพอจะอยู่ได้สักปีหนึ่ง สมัยนั้นก็กินวันละมือ้อหัดเนละ่าหักินอาหารวันละมือ้อัแต่สมัยนั้นเลยวันหนึ่งก็กินแค่ไม่เกินสิบบาทนะค่าอาหารเดือนละสามร้อยปีก็สามพันกว่าหกพันก็เหลือเฟือบ้านก็ไม่อยู่ไม่บ้านของของของมาเขาเขาซื้อห้องแถวไว้ไม่มีใครอยู่เราก็ไปอยู่คนเดียว ในตลาดนาเกลือเนี่ยอยู่อยู่แล้วก็เดินจงกรมนั่งสมาธิในอ่านหนังสือธรรมะปัญญาตัดการหาความสุขทางร่างกายทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสติคว ค, ควบคุมนั่งสมาธิสลับกับเดินจงกรม อ่านหนังสือธรรมะสมัยนั้นก็ได้หนังสือจากที่ประเทศศรีลังกาเยเป็นของ Buddhist Publication Society เขามีหนังสือธรรมะที่คัดออกมาจากพระไตรปิฎกมีเช่นมีพระสูตรต่างๆธรรมะจากกัปปวัตนนสูตรมาสติปัฏฐานสูตรอ่านแล้วก็พอจับแนวความคิด เราทางปฏิบัติได้มรรคแปดมีอะไรบ้างเราก็ตรวจดูว่าเรามีหรือเปล่ามรรคแปมีอะไรขาดอะไรขาดก็เติมมันขาดสติขาดสัมมาสติขาดสัมม า, ส, า, ส, มาสมาธิาพยายามฝึกสติจเจริญสติอยู่เรื่อยพยายามนั่งมากๆเดินแล้วก็เมื่อยก็มานั่งนั่งแล้วก็ อออกจากสมาธิมาก็เดินใหม่หรือไม่งั้นก็อ่านหนังสือธรรมะแล้วมีอยู่ครั้งนึงก็คิดลองนั่งเฉยๆดูสู้กับความอยากดูอนะไนั่งหลังจากกินข้าวตอนเช้าเสร็จแล้วสายๆนงก็นั่งไปเื่อวถึงเย็นแต่นั่งสบายๆนะไม่ได้นั่งตรมานทางร่างกายอย่างแต่ ทรมานความอยากที่จะเดินจะทำ น, ทำนู่นทำนี่ก็ใช้สมาธิใช้สติสมาธิช่วยไปคอ ย, คอยควบคุมความคิดต่อสู้กับความคิดความอยากก็รู้สึกว่าก็ดีพอจะสู้กันได้จิตก็สงบ ก็เลยอยู่งนั้นมาประมาณปีหนึ่งก็เลยเงนินงนจะหมดเงานสำรองเงินที่จะใช้มันจะหมดมันก็ต้องถามตัวเองว่าจะเอาไงดีถ้าอยากจะปฏิบัติต่อมันก็ก็ต้องไปบวชจะได้มีเวลาถ้าไม่อยากบวชก็ต้องไปทำงานทำงานมันก็เวลาก็ ไม่พอเวลามาปฏิบัติก็ก็เหลือน้อยต้องเอาไปทำงานก็เลยตัดสินใจบวช ต, ตอนก็ไม่อยากจะบวชเพราะมันก็คิดว่าเป็นเหมือนการไปติดคุกไปเข้ากรงไปบวชหนึ่งเข้ากรงแต่มาลู้ทีหลังว่ากรงทอง <c oughs> <c oughs> ดูนบวชตั้งแต่นั่นเลยบวช ด, ดีจะตายไปแต่กิเลสมันไม่ชอบ ม, มันชอบอิสระภาพมันคิดว่าอ๋อยัยังอยากไปนู่นมานี่ยังทาอยากจะทำอะไรต า, ามใจชอบอยู่แต่มันแต่มันเป็ น, เ ป, นเป็นโทษมากกว่า ความอยากจะเป็นอิสระนี่มันเป็นกิเลสกิเลสอยากจะไปนูน่นอยากจะมานี่แล้วก็ไม่ได้อะไรไปแล้วก็อยากจะมาไปอยู่นี่ก็อยากจะไปนูน่นพอไปนู่นก็อยากจะมานี่ใจก็ยังไม่สง บ, บยังดิ้นอยู่นั่นเแต่พอถูกบังคับไม่อยู่กับที่มันก็เลยต้องสู้กับความอยากที่จะไปนูน่นจะมานี่มันก็เลย ทำให้จิตเน่งจิตสงบพอสงบแล้วก็สบายทีนี้เฉยๆอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ถ้าใครบวชเริ่มใค ร, ใค ร, รบวชเนี่ยควรจะถือหาที่อยู่สักห้าปีตามหลักวินัยของพระเนี่พระที่บวชนี่ไม่ให้อยู่ปัสะากาอาจารย์ห้าพันษาต้องอยู่กับครูบาอาจารย์ พอดีไปอยู่กับหลวงตาหลองตาท่านก็มีกฎเล็กว่าห้ามไปไหนห้าปีนอกจากมีเหตุจําเป็นเหตุฉุกเฉินแต่ถ้าอยากจะไปนู่นมานี่ขอไปถ้าอยากจะไปวิเวกตรงนู่นไปวิเวกตรงนี้ท่านไม่ให้ไปท่านรู้มันเป็นกิเลสกิเลสมันหลอกมันหลอกให้ไปนู่นหลอกให้มานี่ ก็เลยรู้ว่าไปไหนไม่ได้ก็เลยซัด ก, กับกิเลสอยู่ในวัดนั่นนะคอยคุมมันรู้ว่าถ้าเราเผลอเราปล่อยใจเมื่อไหร่กิเลสออกมาทันทีเราต้องคอยมีสติคอยคุมคอยดึงมันอยู่ถ้าไม่อยู่กับอยู่กับถ้าไม่สติก็ใช้การพิ จ, จารณาพิ จ, จารณาร่างกายพิจารณาการสามสิบสอง ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแล้วก็ยังมีมาตรการสู้กับมันอยู่ที่นั่นพระเาพระที่วัดเขาจะอดอาหารกันตอนเมื่อก่อนตอ น, ต, อนต้นที่ปฏิบัติก็ไม่เคยใช้การอดอาหารก็คิดว่ากินมื้อเดียวก็ก็อดแล้วแต่พอไปอยู่ที่วัดป่ามันตานเห็นบางทีเห็นพระที่นั่งติดกันหายไป ห้าวันเจ็ดวันถามไปไหนคิดว่าไปบ้านหรือไปทุรังเลยก็ว่าเขาไปเขาอดอาหารก็ไม่ออกมาที่วัดป่ามันต่าถ้าไม่อดถ้าอดอาหารไม่ต้องออกมาทํากิจวัตรไม่ต้องมาบินธบาตไม่ต้องมาช่วยกันปัดกวาดให้อยู่ที่ที่ภาคของตนแล้วก็ปัดกวาดเฉพาะที่ภาคของตนก็พอแต่ไม่ให้ออกมาเพ่นพ่านให้ ปีกเว้วเให้เก็บตัวก็เลยเห็นเขาอดก็เลยลองอดดูอดมันก็ดีมันก็ช่วยได้ช่วยแก้ปัญหาเรื่องความหิวตอนเย็นได้ใหม่ๆตอนเย็นๆมันมันจะหิวมันจะคิดถึงอาหารแต่พอมาอดอาหารแล้วมันมันบังคับให้นั่งสมาธิมากขึ้น เพื่อที่จะได้ต่อสู้กับความหิวความหิวมันมีสองส่วนหิวทางกายกับหิวทางใจความหิวที่หิวตลอดเวลาก็คือหิวทางใจความหิวทางร่างกายมันหิวแบบไม่ทรมานมันท้องมันคล้ายๆมันเบามันมันว่างแต่ความทรมานอยู่ที่ความหิวทางใจเวลาจิตคิดถึงอาหาร เวลาที่มันอยากจะกินอาหารนี่มันทรมานก็เลยต้องบังคับสู้กับมันด้วยการไปนั่งสมาธิพอนั่งสมาธิจิตสงบความหิวทางใจก็หายไปความอิ่มทางใจก็เกิดขึ้นมาทาให้ไม่หิวทำให้ความรู้สึกความหิวทางร่างกายนี้ไม่ไม่เป็นปัญหาก็เลยอดต่อได้ อดทีละสามวันบ้างห้าวันบ้างเจดวันบ้างเพราะอดแล้วมันดีไม่ต้องออกมาเจอใครไม่ต้องมามีการปฏิบัติการเจลาสติมันมันต่อเนื่องมันไม่ไม่ขาดตอนถ้าออกมาพบปะคนแล้วจิตมันจะปร่งแต่จะต้องคิดจะต้องอะไรแต่ถ้าอยู่คนเดียวนี่มันก็คอย ให้ดูเฉยๆให้สักแต่ว่ารู้ไม่ต้องคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้จิตนั้นก็จะสงบมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันก็จะสงบได้ตลอดวันเลยไม่ต้องไม่ต้องบังคับมันอยู่ถ้ามันไม่มีอะไรมาให้มันคิดมันก็ไม่คิดนี่ก็ต้องออกไปทางปัญญาต่อ พิจารณาร่างกายพิจารณาเวทนาพอมีสติมีสมาธิแล้วทีนี้ก็มีกําลังที่จะพิจารณาเวทนาแยากเวทนาออกจากกายจากใจแยากให้เห็นว่าเป็นสภาวะธรรมแต่ละอย่างร่างกายก็เป็นสภาว ะ, าวะธรรมอย่างหนึง่งทำมาจากดินน้ําลมไฟ ไม่มีความรักไม่มีความรู้สึกอะไรร่างกายไม่รู้ว่ามันเจ็บกระดูกมันมันไม่รู้ว่ามันเจ็บเวทนามันก็ไม่รู้ว่ามันเจ็บมันก็แสดงอาการขอามันไปผู้รู้คือใจแต่ผู้รู้ก็ไม่ได้เป็นผู้เจ็บผู้เจ็บมันกลับไม่รู้ผู้รู้กลับไม่เจ็บแต่ผู้รู้กลับไปเจ็บแทนผู้ผู้เจ็บ ไปเจ็บแทนร่างกายร่างกายเขาไม่เขาเจ็บแต่เขาไม่เดือดร้อนแต่ใจไปเดือดร้อนแทนร่างกายพอร่างกายเจ็บก็อยากจะขยับอยากจะให้ความเจ็บหายไปยทีนี้มันต่อไปร่างกายมันจะต้องเจ็บแบบเจ็บจริงๆเจ็บไข้ได้ปวดจะขยับยังไงมันก็ไม่หายเวลาเราไม่สบายนี่ ความเจ็บมันเราจะทำไงมันก็ไม่หายจะเปลี่ยนอิลียบทจะเดินจะนั่งจะยืนจะนอนมันก็ปวดของมันปวดปวดศีรษะเป็นไข้มันก็เป็นของมันไปก็เลยต้องต้องทาใจเท้สอนใจให้รับกับความเจ็บความเจ็บมันก็มีเป็นอนิจจังมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเวทนา คือความรู้สึกทางร่างกายมันก็มีสามทุกเวทนาก็คือเจ็บสุกเวทนาก็คือสบายความสบายทางร่างกายส่วนไม่สุกไม่ทุกก็คืออยู่ระหวา่างจะว่าสุกก็ไม่สุกจะว่าทุกก็ไม่ทุกเช่นเวลาหิวข้าวนี่ก็ทุกเวทนาเวลากินข้าวอิ่มก็สุกเวทนา ระว่างถ้าเวลาที่ไม่หิวกับไม่อิ่มแล้วก็เรียกว่าเป็นเวทนาที่ไม่สุขไม่ทุกข์มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราไปเวลามันมาจะสั่งให้มันหายก็ไม่ได้เวลามันไปจะสั่งให้มันมาก็ไม่ได้เจนสุขก็เวทนากินข้าวอิ่มแล้วอยากให้มันสุกนี้ไปทั้งวันก็ไม่ได้มันสุขไปสักไม่ไม่กี่ชั่วโมงเดี๋ยวหิวอีกแล้ว เดี๋ยวทุกขเวทนาก็มาอีกแล้ว ก, ก็ต้องการ้องกินถ้าไม่กินก็ต้องทําใจให้สงบทําใจให้สงบใจก็ปล่อยวางความหิวของร่างกายได้ไม่เดือดร้อนกับความหิวของทางร่างกายการอดอาหารนี่มันก็เป็นการพิจารณาทุกขเวทนาอย่างหนึ่งสู้กับทุกขเวทนาอย่าง แต่ยังไม่รูนแรงเท่ากับเวลานั่งนั่งสมาธิแล้วมันเจ็บเนะ่เวลานั้นมันก็ต้องพยายามทำใจให้นิ่งทำใจให้สงบแล้วก็แยกพิจารณาว่าร่างกายมันมีอาการสามสิบสองมันไม่มีอาการใดที่มันรู้ว่ามันเจ็บเลยตัวเวทนาเองมันก็ไม่รู้ว่ามันมันเจ็บตัวตัวที่รู้ก็คือใจ ผู้รู้แต่ผู้รู้ก็ไม่ได้เป็นผู้เจ็บนะแล้วผู้รู้ไปเดือดร้อนทั้งทำไมผู้รู้กลับเกิดความเดือดร้อนเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะอยากให้ความเจ็บของทางร่างกายหายไปยิ่งถ้าหยุดความอยากได้ว่ามันว่าผู้รู้ไม่ได้เป็นผู้เจ็บอยากไม่อยากความเจ็บของทางร่างกายมันก็ มันจะอยู่มันก็อยู่มันจะหายมันก็หายไปสั่งมันไม่ได้มันเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปอย่าไปอยากพอไม่อยากเล่าความเจ็บทางใจก็จะหายไปความทุกข์ทางใจก็หายไปทำให้ความความเจ็บทางร่างกายไม่เป็นปัญหาอยู่กับมันได้ ที่เป็นตัวเป็นปัญหาตัวปัญหาคือความเจ็บทางใจความเจ็บที่เกิดจากความอยากอยากให้ความเจ็บทางร่างกายหายไปทุกที่เกิดจากสมุทัยคือตัณหาคือความอยากพอใช้ปัญญาพิจารณาว่าความเจ็บทางร่างกายนั้นเป็นอนัตตาเราไปควบคุมไปสั่งมันไม่ได้ มันจะหายถ้ายังไม่ถึงเวลาให้มันหายมันก็ไม่หายแต่เวลามันหายมันก็หายเองแต่เวลาไม่หายไปอยากให้มันหายก็จะเกิดทุกข์ทางใจขึ้นมาพย อ, อยามลองดูว่าเรากําลังสร้างความทุกข์ทางใจด้วยความอยากให้ความเจ็บทางร่างกายหายไปเราก็หยุดความอยากเสีย ยอมยอมให้มันเจ็บไปอยากไปยอยาอยากไปอยากให้มันหายเจ็บถ้าจะอยากก็บอกให้มันเจ็บมากกว่านี้ไม่ได้นะเอาปรมาณอย่างนั้นเจ็บแค่นี้ยังไม่พอเจ็บมากกว่านี้อพอมันพอมันหยุดความอยากได้ความทุกข์ทางใจมันก็ไม่มีมันก็นัางต่อไปได้แต่มันก็รู้ว่า ความเจ็บนี้ไม่มไม่เป็นปัญหาแล้วไม่ไม่กลัวความเจ็บอีกแล้วคราวหน้าเจ็บเมื่อไหรก่ก็ก็ก็รู้จากวิธีอยู่กับมันไม่ต้องหนีมันหนีมันไม่พ้นมันเป็นเหมือนเงาตามตัวเราความเจ็บนี้เวลามันเจ็บจริงๆรนี่จะอยู่ในอเริยาบทไหนมันก็เจ็บเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแต่เราอยู่กับมันได้เราไม่เดือดร้อนได้ ถ้าเราทำใจให้เฉยๆอย่าไปอยากให้มันหายเจ็บเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปรงความตายก็เหมือนกันร่างกายมันสักวันหมันก็ต้องตายแต่เวลาใครก็ไปห้ามมันไม่ได้ถ้าไปอยากให้มันไม่ตายก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเหมือนกับความเจ็บถ้าไม่มีความอยากยอมรับความจริงว่า มันเป็นอนิจจาเกิดแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาถึงเวลามันจะตายก็ไม่มีใครมายับยั้งได้ถ้าอยากให้มันไม่ตายมันก็จะทุกข์มากทรมานมากถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ยอมตายปล่อยให้มันตายก็เลยเข้าใจพอเข้าใจก็เลยลองก็เดินไปในป่า กางคืนเปิดไฟไม่ต้อกลัวงูงงอะไรมันจะกัดให้มันกัดนะวห้มันเกิดความกลัวสุดขีดแล้วก็อย่าไปอย่าอย่าไปกลัวยอมตายนะเดี๋ยวความกลัวมันจะดับเองหายไปพอคิดว่าจะตายแล้วยอมตายนี่ใจมันจะปล่อยปล่อยร่างกายยอมตายพ อ, อไปใจมันก็จะสงบเย็น หากลัวหายกลัวความตายมันต้องไปพิสูจน์ต้องไปหาที่น่ากลัวให้มันเกิดความกลัวสุดขีดแล้วก็ปองอันนี้จังว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายไม่เที่ยงเกิดมาแล้วมันต้องตายถ้าเวลานี้มันจะตายก็ยอมตายแต่ต้องไปมีให้มันเกิดความกลัวก่อนให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาก่อน ความกลัวก็คือความทุกข์ความทุกข์ที่จะเกิดจากความตายแล้วพอยอมตายพิจารณาด้วยปัญญาเห็นว่ามันต้องตายร่างกายนี้หนีไม่พ้นเมื่อมันไม่พ้นเราจะไปหนีมันทําไมเราจะไปทุกข์กับมันทําไมทุกข์ก็ตายไม่ทุกข์ก็ตายกกตา ย, ยอมตายดังนัมันก็จะไม่ทุกข์พอยอมตายแล้วจิตก็เย็นสงบ มันก็ยังไม่ตายเพราะยังมันยังไม่ได้เจองูมันเพียงแต่คิดว่าจะเจองูมันเดินเข้าไปในป่ามืดๆอย่างนี้ไม่ต้องฉายไฟมันก็เลยหายกลัวอ่นี่คือการพิจารณาทางปัญญาหลังจากที่เราได้สมาธิแล้วชํานาญทางสมาธิก่อนถ้ายังไม่ชํานาญเดี๋ยวถึงเวลาจะ พิจารณาด้วยปัญญามันจิตมันจะมันจะสู้ไม่ไหวแต่ถ้าเรามีสติมีสมาธิดีมันจะไม่กลัวมันจะจะคุมจิตได้ถ้าไปเจออะไรเกิดความกลัวขึ้นมาถ้ามีสติมีสมาธิมันจะคุมคุมคุมจิตได้มันจะไม่ทำให้จิตเตินเติรนเต้นตกใจ มันจะเฉยแล้วก็จะใช้ปัญญาพิจารณาว่าร่างกายไม่เทีย่ยมร่างกายเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราเนี้ยมันก็ต้องกลับเขินสู่ดินน้ำลมไฟไปถ่าพิจารณาเห็นด้วยปัญญามันก็ปล่อยปล่อยก้อนนี้ปล่อยก้อน้ออนาตทั้งสี่ไม่ใช่ตัวเราไม่มีตัวเราอยู่ในร่างกาย ใจไปไปตู่เอาว่าร่างกายเป็นเราร่างกายนี้มันเป็นของพ่อแม่พ่อแม่สร้างขึ้นมาแล้วใจก็มาเกาะไว้ตอนที่เกิดออกตอนที่อยู่ในท้องใจก็ส่งกระแสจิตส่งกระแสวิ ญ, ญญาณทั้งห้าเนี่ยวิ ญ, ญญาณในขันเนี่ยวิ ญ, ญญาณทางตาหูจมูกิ้นกายไปเกาะติดกับร่างกาย ก็เลยคิดว่าเป็นร่างกายไปแต่เพียงจีิความจริงเพียงแต่อสานร่างกายเป็นผู้ไปเสดสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเป็นตัวแทนของใจไม่ได้เป็นใจเป็นตัวตัวแทนที่ไปรับข้อมูลต่างๆที่ใจอยากจะรู้เช่นรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ ท่า น, นั้นเองถ้าเข้าใจถ้ารู้ว่าร่างกายกับใจเป็นคนอ่านมันก็มันก็ปล่อยได้แต่เวลาก็ปล่อยมันไปทําใจใเฉยๆสักแต่ว่ารู้ไปถ้าร่างกายจะเป็นอะไรก็ปล่อยมันไปถ้ายังรักษาได้ก็รักษาไปถ้าดูแลได้ก็ดูแลไป ถ้าการรักษาการดูแลมันยุ่งยากมากเรื่องก็อาจจะไม่ต้องดูแลรักษาเหมือนพระปฏิบัติส่วนใหญ่ท่านไม่ค่อยอยากจะเข้าโรงพยาบาลเพราะท่านรู้ว่าเข้ากะเท่านั้นถ้ามันถึงเวลาจะตายอยู่โรงพยาบาลดีขนาดไหนหมอดีขนาดไหนมันก็ตายอย่างนี้แล้วหลวงตาไปอยู่ได้กี่วันเขาหนกท่านไปพอไปไม่กี่วันท่านก็ขอกลับนะ ท่านไ ม, ไม่ไม่ได้กังวลกับเรื่องของร่างกายท่านปล่อยร่างกายได้แล้วท่านดูแลมันแบบสบายสบายแต่ถ้าให้มาวุ่นวายกับการดูแลมันไปดูแลมันทําไมต้องมีหมอมาฉีดมาเช็คมาตรวจอยู่มาสั่งให้ทํานู่นทํานี่ก็เลยท่านถ้าไม่จําเป็นจริงๆท่าน ท่านจะไม่ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนอกจากว่าท่านเห็นว่าถ้ายังรักษาได้ไปแล้วยังรักษาได้ยังหายถ้าไปแล้วรักษาก็ดูอาการแล้วมันไม่หายเพียงแต่เอาวิงเวลาไว้ท่านนั่นเองอย่างหลวงปูชาเขาก็มีสายโยงสายยางมีเครื่องหายใจยมีอะไรก็ต้องให้หลวงตาเป็นคนไปบอกให้เขาถอดออก พรไม่มีไกรกล้าถอดไม่มี ใ, มมใครกล้ากลัวจะบาดกลัว่าจะค่าครูบาอาจารย์แต่หลวงตาถ้านรู้ว่ามันเป็นการทรมานท่านมันทําให้เหมือนกับไปส่งน้ํามันให้มันมีไฟเผาคือเวทนาความทุกข์ความเจ็บทางร่างกายเนี่ยมันไม่ถ้ามันตายมันก็จบใช่ไหมมันก็หมด แต่ถ้าเรายังเลี้ยงมันด้วย อ, า, อาหารเลี้ยงมันด้วยลมหายใจอย่างเงี้ยมันก็ยังผลิตทุกขเวทนาขึ้นมาอยู่เรื่อยๆทรมานไปเปล่าๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นพอหยุดมันจะหยุดอาหารหยุดน้ำหยุดอะไรไปเดี๋ยวมันก็ตายพอตายทุกขเวทนามันก็ดับไปจิตก็ไม่ต้องมา รับรู้กับความเจ็บของทางร่างกายแยกกันไปคนละทิศคนละทางนี่คือการปฏิบัติปฏิบัติเพื่อปล่อยวางปล่อยวางร่างกายร่างกายที่มันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าเรารู้จักวิธีปล่อยวางแล้วเราจะไม่ทุกข์เราจะสบายแก่ก็ไม่ แกหรือไม่แกก็เหมือนกันเจ็บหรือไม่เจ็บก็เหมือนกันตายหรือไม่ตายก็เหมือนกันใจจะเฉยๆกับมันใจรู้จักวิธีทำใจให้เฉยๆจะทําใจให้เฉยได้ก็ต้องมีสติมีปัญญามีสติก็จะเฉยเฉพาะช่วงที่มีสติพอเพลสติ ก็จะไม่เฉยจะเกิดความอยากเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าเกิดความทุกข์เกิดความอยากถ้าใช้ปัญญาได้ก็จะกำจัดความอยากได้เพราะจะเห็นว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุที่ทำให้ใจทุกข์ไม่เกิดประโยชน์อะไรความอยากอยากให้ไม่ตายมันก็ตายอยู่ดีอยากให้มันไม่เจ็บมันก็เจ็บอยู่ดีอยากให้มันหายเจ็บมันก็ไม่หายเจ็บ ไม่อยากไปนั้นมันทำให้เกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาเปล่าๆพอเห็นอย่างนี้มันก็เลยไม่อยากดีกว่าสักแต่ว่ารู้ดีกว่ารู้ว่าตอนนี้เจ็บก็รู้เจ็บไปรู้ว่าจะตายก็ก็รู้ว่ามันจะตายก็ดูไปก็ยังไม่ตายเนี่ยเวลาตายมันตายแค่แป๊บเดียวท่านนะเหมือนปิดไฟนะเวลาปิดไฟนี่ เพียงแต่ไปปิดสวิตไฟก็ดับคนเราเวลาจะตายมันก็แค่เหมือนปิดสวิตเท่านั้นเองพอไม่หายใจมันก็ตายถ้ายังหายใจอยู่มันก็ยังไม่ตายยังไม่ตายก็หายใจไปก็ปล่อยมันหายใจไปถ้ามันหายใจไม่ไหวมันอยู่หายใจมันก็ตายตายแล้วเป็นยังไงร่างกายมันก็กลับคืนสู่ดินน้หนมไย ใ ห, หมเผาแล้วเหลืออะไรเหลือขี้เท่ากับใส่กระดูกเนี่ยนี่คืออนาคตของพวกเราเนี่ยพวกเราช่วงดีได้มีพิจารณาความตายอยู่เรื่อยๆมีคนสําคัญสําคัญตายให้เราดูกันหลวงตาตายนายหลวงตายเนี่ยเราเห็นกระดูกไหมเห็นเขาเก็บกระดูกท่านไหมเห็นขี้เท้าไหมนั่นคืออนาคตของพวกเราเหมือนกัน เดี๋ยวก็กลายเป็นขี้เท่าเดี๋ยวก็กลายเป็นเศษกระดูกแต่เราไม่ได้เป็นมันเราไม่ได้ตายไปกับมันเราผู้รู้ผู้คิดนี้มันไม่ได้ตายแต่เราไม่รู้ถ้าเราไม่ปฏิบัติเราจะไม่รู้ถ้าเราปฏิบัติเราจะรู้ถ้าเรานั่งสมาธิจิตสงบเราจะรู้ว่าร่างกายกับจิตนี้เป็นคนละส่วนร่างกายหายไปจากความรับรู้ของจิต แต่จิตยังอยู่ผู้รู้ยังอยู่ผู้คิดยังอยู่ผู้รู้ผู้คิดนี่ไม่มีวันตายถ้ายังมีความอยากอยู่ก็ไปมีร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่เกิดใหม่ก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ถ้าไม่มีความอยากก็ไม่ต้องกลับไปมากลับมาเกิดใหม่ไม่ต้องมีร่างกายร่างกายก็จะ ไม่ต้องมาแบกร่างกายไม่ต้องมาทุกกับร่างกายไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายกับร่างกายตอนนี้จิตของพวกเรายังหลงอยู่ยังมีความอยากอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเรียกว่ากามตัณหายังอยากมีอยากได้นูน่นอยากมีนี่อยู่อยากได้อะไรก็อยากได้นาบยศสรรเสริญ เราก็อยากให้อยากไม่สูญเสียลาบยศสรรเสริญไปได้มาแล้วมีแต่อยากให้ได้มากๆมีมากๆไม่ยอมให้มันหมดเวลามันจะหมดก็ทุกข์เพราะอยากไม่ให้มันหมดเวลาไม่มีก็ทุกข์เพราะอยากจะมีเราสร้างความทุกข์ขึ้นมาด้วยความอยากของเราเองแล้วความอยากอันนี้ที่มันพาให้เราต้องมาเกิดอยู่เรื่อย เพราะเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปเราก็จะไม่มีเครื่องมือที่จะไปทำตามความอยากได้อยากดูถ้าไม่มีร่างกายก็ดูไม่ได้อยากฟังก็ฟังไม่ได้พอไม่มีร่างกายก็เลยต้องมามีร่างกายก่อนจะมามีร่างกายได้ก็ต้องไปรับผลบุญผลบาปก่อนถ้าทำบาปไว้ก็ต้องไปรับผลบาปในอบายก่อนไปเป็นเดรัจฉานบ้าง ไปเป็นเปรตเป็นนสุรกายไปตกนรกบ้างถ้าทําบุญมากก็ทําบาปก็ไปรับผลบุญไปเป็นเทพชั้นต่างๆแล้วพอบุญหรือบาปที่ได้ทําไว้มันหมดกาลังที่จะเด้งเอาไว้อยู่ในในสวรรค์ก็ไม่ได้อยู่ในอบายก็ไม่ได้มันก็พามาให้เรามามีร่างกายใหม่พอมีร่างกายใหม่แล้วก็มาหา ลกเสียงกินลดหาราบยดสารเสร้นโศกกันใหม่หาแล้วก็ทุกข์กับมันเวลาได้มาก็ดีใจเวลาเสียไปก็เสียใจสลับกันไปดีใจเสียใจแล้วเดี๋ยวก็แก่เจ็บตายเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายก็ทุกข์อีกทุกตายก็ไม่เข็ดอีกพอตายแล้วก็กลับมาใหม่เรากลับมาเกิดอย่างนี้ นับจำนวนไม่ท้วนนะมากมายิ่งกว่าน้ําตาที่เรามารวบรวมในวันที่เราไปเผาในหลวงนดะองแป๊วน้ําตาที่วันนั้นเขาหลังน้ําตามารวมกันเนะี่ยยังน้อยกว่าน้ําตาที่เราหลังจากการที่เรามาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายน้ําตาที่เราหลังนี้ถ้านบอกว่าถ้ารวบรวมนี้มันมากยิ่งกว่าน้ําในมาหาสมุทร เป็นดูแลจะต้องมาเกิดกี่ครั้งถึงจะร้องไห้ได้น้ำตามากกว่าน้ำในมาหาสมุทรแล้วเราก็จะร้องอย่างนี้ต่อไปถ้าตาบดาเรายังไม่มาหยุดความอยากทั้งสามนี้ยังไม่มาหยุดกามักตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาเราก็จะต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาร้องโหมร้องไห้เวลาเสียคนที่เราลักไป เสียสิ่งที่เราลักไปถ้าเราไม่ได้มาเจอพระพุทธศาสนาเราจะไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้เราก็คิดว่าเป็นหน้าที่ของเราของมนุษย์ที่ต้องทำคือมาหาความสุขกันนะทุกคนก็หาความสุขแต่ไม่รู้ว่าความสุขที่หานี้มันจะกลายเป็นความทุกข์เพราะว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ไม่ถาวร เพราะสิ่งที่ให้ความสุขกับเรามันจะต้องเปลี่ยนไปหรือหมดไปเวลาได้สิ่งอะไรมาให้ความสุขกับเราแล้ว เ, เดี๋ยวพอสิ่งนั้นไม่นานมันก็เปลี่ยนไปหายไปหรือหมดไปยัเวลาได้แฟนมาก็ดีใจเลี้ยงแต่งเลี้ยงงานแต่งงานกันเดีย๋ยวพอแฟนตายไปก็ไปนั่งร้องไห้ยอยู่ที่วัดนี่แหละคือความสุขที่เราหากัน ความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์ถ้าเราเห็นด้วยปัญญาว่าความสุขต่างๆในโลกนี้นั้นเป็นความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์เราก็จะได้ไม่อยากได้กันถ้าเรารู้ว่าอาหารที่เราจะกินนี้จะทำให้เราท้องเสียเราจะกล้ากินไหมกินแล้วเดี๋ยวถ่ายท้องอรือไหมใสายาสลอดไหม <c oughs> <c oughs> ถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่เราได้มาจะจะทําให้เราทุกข์เราอยากจะได้ไหยแต่เราไม่เห็นนเห็นแต่ว่ามันจะให้เราสุขอย่างเดียวเห็นอะไรเราได้มาเดี๋ยวจะมีความสุขแล้วเดี๋ยวพอทุกข์ก็อวยวายกันจะโวยวายต้องโวยวายกับตัวเองก็ลองโง่เลยไม่เชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์เนี่ย ว่าทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงทุกอย่างในโลกนี้เราไม่สามารถควบคุมบังคับให้มันเที่ยงให้มันสุกได้ควบคุมได้ชั่วคราวให้มันเที่ยงได้ชั่วคราวให้มันสุกได้ชั่วคราวพอถึงเวลาจริงๆก็ควบคุมมันไม่ได้เช่นร่างกายเราตอนนี้เราควบคุมได้ควบคุ ม, คมให้มันเที่ยงให้มันยังอยู่ได้อยู่กินข้าวหายใจอยู่มันก็อยู่ได้ แต่เดียวมาถึงเขีดหนึ่งที่กินข้าวแล้วหายใจแล้วมันก็ไม่อยู่ตอนนั้นเราถึงจะรู้ว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเราแต่ตอนถ้าไม่มาศึกษาก็ไม่รู้เอะถึงแม้ว่ามันจะจะตายมันก็ยังอยากให้มันไม่ตายอยู่ถึงแม้วันมันจะไม่เที่ยงมันตายก็ไม่รู้ว่ามันไม่เที่ยงยังอยากให้มันเที่ยงอยู่แต่ถ้าได้ศึกษาธรรมะ ฟังธรรมะบ่อยๆแล้วเอาไปพิจารณาบ่ยอยๆอย่างที่พระเจ้าสอนว่าเราเกิดมาแล้วต้องแก่เป็นธรรมดาร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาร่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้ต้องตายไปเป็นธรรมดาร่วงพ้นไปไม่ได้ถ้าเราท่องอยู่เรื่อยๆจดจัจนกระทั่งมันจำได้พอถึงเวลามันจะแก่มันก็มันก็จะไม่ฝืนมันก็จะไม่ ไม่มีความอยากไม่แก่มันหยุดความอยากไม่แก่เพราะพอรู้ว่าถ้าอยากไม่แก่แล้วมันทุกข์แล้วก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนมันมันก็ต้องแก่อยู่ดีเวลาเจ็บก็เหมือนกันเวลาตายก็เหมือนกันมันก็จะไม่มีความทุกข์เพราะมันยอมรับความแก่ได้ยอมรับความเจ็บได้ยอมรับความตายได้เพราะมันไม่มีทางเลือกรับไม่รับมันก็ต้องแก่มันก็ต้องเจ็บมันก็ต้องตาย ถ้ารับได้มันก็ไม่ทุกข์ถ้ารับไม่ได้มันก็ทุกข์ ม, มีใครอยากจะทุกข์บ้างถึงเวลานั้นก็จะรู้เองว่ารับได้หรือไม่ได้ถ้ารับได้ก็สบายไปเหมอนตอนนี้มาฝึกซ้อมไว้ก่อนซ้อมพิจารณาคิดอยู่เรื่อยๆถามตัวเองว่ารับความแก่ได้ไหมรับความเจ็บกะได้ไหมรับความตายได้ไหม ถ้าได้ก็ทดสอบดูนั่งให้มันเจ็บดูอแล้วก็อย่าไปขยับไปให้มันหายเองมันไม่หายก็อยู่กับมันไปอความตายก็ไปหาที่ไหนหน่ากลัวอยู่ไปอยู่คนเดียวที่ไหนหน่ากลัวแล้วเวลาเกิดความความกลัวตายขึ้นม า, าม ก, ลามาก็ลองดูสิว่ายอมยอมตายได้ไหมถ้ายอมตายได้แล้วจำจะไม่ทุกข์ใจจะสงบใจจะพลกพลิกหน้ามือเลยพลิก พิกกลับกันเลยพลิกหน้ามือเป็นหนังมือเลยกลัวสุดขีดแล้วพอยอมตายปั๊มความกลัวสุดขีดนี้มันจะหายไปจิตก็จะเน่งสงบเหมือนดิ่งเข้าไปในสมาธิเลยแล้วมันจะเห็นคุณค่าของอของธรรมะของพระพุเจ้าว่าวิเศษอย่างนี้เองลดแห่งธรรมชนะลดทั้งปวงเอคือลดของความสงบ สงบในขณะที่จะตายนี่มันสุขเกินแล้วถ้ามันไม่ตายมันก็จะอยู่มันก็จะสงบไปเรื่อยๆมันก็จะไม่มีความทุกข์กับร่างกายต่อไปร่างกายจะเป็นจะตายอย่างไรก็ไม่ทุกข์กับมันอันนี้เป็นขั้นตอนของการปฏิบัติซึ่งยังไม่ยังมีอีกหลายขั้นนอกจากนี้เรายัางก็ต้องไปแก้ปัญหากับเรื่องของกามอารมณ์เนี่ย แม้ว่ยยาจะปล่อยความเจ็บปล่อยความตายได้แล้วแต่มันยังปล่อยการอารมณ์มไม่ได้เห็นร่างกายของใครน่ารักน่าดูน่าชมก็ยังอยากจ ะ, ะให้เขามาเป็นแฟนอยากจะได้เขามาเป็นแฟนอยากจะอยู่กับเขาอยูยกใกล้เขานอนกับเขามีความสุขพอไปมองว่าเขาสวยเขาหน้าดูไม่ไปดูส่วนที่ไม่สวยไม่น่าดู ส่วนที่เขไม่ให้เปิดให้เราดูคือส่วนที่อยู่ใต้ผิวหนังเขาเข้าไปลองมองทะลุเข้าไปใต้ผิวหนังดูหน้าเขาที่สวยนี่พอเอาเอาหนังออกก็จะเห็นกระโหลกศรีรษะส่วนร่างกายก็เห็นโครงกระดูกเห็นแข น, เ ห, นเห็นขาเห็นขากระดูกแขนกระดูกขาโครงสี่โครง ดูอวัยวะต่างๆเห็นปอดเห็นตับเห็นไตเห็นหัวใจเห็นกระเพาะเห็นลำไส้เห็นสมองต้องดูส่วนนับต่างๆนี้แล้วมันจะได้ทําให้เราไม่มีความคข้กับร่างกายของคนอื่นแล้วก็จะทําให้เราไม่เหงาอยู่คนเดียวไม่เหงาที่ต้องมีเพื่อนนอนก็เพราะว่าเวลานอนคนเดียวมันเหงาะ มันมีการอารมณ์การอารมณ์มันทำให้เรารู้สึกเหงาว่าเหว่แต่ถ้าดับการอารมณ์ได้แล้วความเหงาความว่าเหว่มันจะไม่มีอยู่คนเดียวสบายไม่วุ่นวายไม่ต้องยุ่งกับใครคนที่มีความสงบไม่มีการอารมณ์น่าจะไม่อยากจะอยู่กับลาคาญแล้วยิ่งรู้ว่าอยู่กับซากศพดีๆนี่ศพที่ยังหายใจได้ ในร่างกายของพวกเราเนี่ยพอไม่หายใจปุ๊บเป็นอะไรไม่มีใครจะอยู่กับเราแล้วใช่ไหมพอไม่หายใจพรับก็ส่งไปวัดเลยโทรศัพท์เรียกสับปะเลยมารับไปเลย <c oughs> special delivery แต่ถ้ายังมีลมหายใจนี่ห่วงไงใครมาแตะไม่ได้นะใครมาแตะแฟนไม่ได้นะ เแต่พูดกับแฟนมองแฟนหน่อยก็ตาเขียวเป็นวะนะเขามีอะไรกันหรือเปล่าเ <c oughs> นี่ยนี่ก็คือวิธีแก้ปัญหาเรื่องการอารมณ์ต้องพิจารณาอาสุภะดูส่วนที่ไม่สวยของร่างกายอนาคตของร่างกายมันก็ต้องเป็นซากศพสมัยก่อนเขาสบตายแล้วเขาเขาไม่ซ่อนเอาไว้เขาเปิดให้ดู เอาไปปอเอาไปทิ้งไว้ในป่าชาเนี่ยใครอยากจะดูศพก็ไปเยี่ยมป่าชากันไปดูสร้างศพที่เปลี่ยนไปตามสภาพขึ้นอืดพองน้ำอะไรต่างๆไหลออกมาบางทีก็ถูกมดแมลงมากัดมีหมาเมือมีสัตว์อะไรมากัดแขนกัดขาบางศพก็แห้งกรอบเหนือแต่คงกระดูก อย่างที่เข้าไปล้างป่าช้ากันเนี่ยอันนี้สมองการล้างป่าช้าก็จะได้เห็ น, นสุภาษะจะได้ปรุงว่า อ, อ๋อนี่คนเราตายไปแล้วมันก็แค่นี้เองเวลาอยู่มันก็เหมือนกันเพยงแต่ว่ามันยังชำระความสะอาดได้อยู่แต่คนตายแล้วมันชำระไม่ได้พิจารณาซากศพพิจารณาอวัยวะต่างๆ ที่อยู่ภายในร่างกายแล้วมันจะทำให้การอารมณ์มันหายไปใจจะสงบถ้าเกิดการอารมณ์ก็ต้องใช้พอสุภาษนี้เท่านั้นมันถึงจะหายได้ถ้าใช้สติมันก็หายชั่วคราวแต่ถ้าใช้การอารมณ์ถ้าใช้อสุภานี้มันจะหายอย่างถาวรเพราะต่อไปมันจะเห็นร่างกายเป็นอสุภาตลอดเวลาเห็นร่างกายกายก็จะไม่เห็นว่าสวยว่า ง, งาม แล้วก็จะเบาใจสบายใจอยู่คนเดียวได้ไม่เหงาไม่ว้าเวไม่ต้องมีหมอนข้างเห็นไหมพระบวชก็ไม่ให้หมอนข้างมาด้วย <c oughs> บรราฐานแปดไม่มีหมอนข้าง <c oughs> โอ้ที่ยังต้องมีหมอนข้างอยู่มาบวชไม่ได้ <c oughs> นะการปฏิบัตินี้พอถึงขั้นปัญญามันต้องพิจารณาแต่ยังไม่ถึงขั้นปัญญานี้พิจารณาก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะมันมันพิจารณาแล้วนหนึ่งมันพิจารณาไม่ได้เพราะมันจิตมันจะไม่ชอบมันจะไม่ชอบพิจารณาส่วนที่โสโปรกส่วนที่ไม่น่าดูของร่างกายมันจะไม่ชอบดูสิ่งที่น่าเกลียด น, น่ากลัวของร่างกายต้องรอให้จิตมีสมาธิก่อนเพราะว่าเวลาไม่มีสมาธิกิเลสคือ การอารมณ์นี่มันจะไม่ชอบมันชอบสองสวยๆงามๆถ้ามันเปิดดูหนังสือสวยๆงามๆนี่มันนั่งดูได้ทั้งวันถ้ามันเปิดหนังสืออานาตอนม่ดูไม่ดูดูเดียวเดียวมันก็รู้สึกอาการไม่สบายอกสบายใจแล้วอันนี้มันเป็นผลของของการบารมณ์มันจะไม่ชอบการอารมณ์มันจะชอบของสวยๆงามๆ แต่ถ้าเราทําใจให้สงบกามารมณ์จะถูกกดเอาไว้พอมองภาพไม่สวยไม่งามมันก็จะรู้สึกเฉยเฉยมันจะไม่รู้สึกขยะแขยงหรือไม่อยากจะดูไม่กล้าดูต้องดูบ่อยๆเพื่ออะไรเพื่อจะได้จําได้เหมือนกับการท่องสูตรคูณนทำไมเราต้องท่องอยู่เรื่อยๆทำไมเราต้องต้องก อ, อไก่ขอไข่อยู่เรื่อยๆ เ, เพื่อเราจะจําได้ พอเราจำไดแ้แล้วเวลาเราอ่านหนังสือเราก็จะได้รู้ว่ามันตัวอะไรนนี้ก็เหมือนกันถ้าเราไม่มีอสุภะ ไ, ไม่จดไม่จำภาพของอสุภะอยู่ในใจเราพอเราไปเห็นคนที่น่าดูขึ้นมาเราก็จะลืมไปภาพอสุภะไม่ออกมาแต่ถ้าเราจำได้พอเราเห็นใครปั๊บภาพอสุภะจะมาทันทีจะมาบอกว่าเนี่ย เขาข้างในเป็นอย่างนี้นะข้างนอกของเขาเป็นอย่างนี้แต่ข้างในของเขาเป็นอย่างนี้หรือเวลาที่เขาตายแล้วเขาจะต้องเป็นอย่างนี้นะถ้ามันมีอย่างนี้จดจำอยู่ในใจได้เวลาเกิดการอารมณ์ขึ้นมามันก็จะดับได้ทันทีแล้วต่อไปการอารมณ์มันก็จะไม่เกิดเพราะเกิดนทีไหนก็โดนไอ้อสุภานี่ดับทุกทีต่อไปมันก็เลยไม่เกิด เหมือนกับความอยากสู่บุรีเนะี่ยทุกครั้งที่อยากจะสู่บุรีก็ไม่สู่มันพนะอไม่สู่มันไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็ความอยากสู่บุรีมันก็ไม่โผล่ขึ้นมาความอยากเที่ยวก็เหมือนกันทุกครั้งอยากจะไปเที่ยวก็ไปอยู่วัดแทนเนีลองไปทําดูต่อไปความอยากเที่ยวไม่มามันมันก็จะไปอยู่วัดพอจะไปเที่ยวก็ไปอยู่วัดพอจะไปเที่ยวก็ไปอยู่วัดแล้วต่อไปมันจะอยากไปเที่ ย, ยวทําไมอยากก็พไม่ได้ไป<ชอบ Sick> อยากทีไยต้องไปอยู่วัดทุกทีซู้ไม่อยากดีกว่ายังไม่อยากยังอยู่บ้านได้ถ้าจะอยู่บ้านอย่างมีความสุขไม่ต้องไปไหนไม่ต้องเสียเงินเสียทองไปแล้วได้ไรได้แต่เสียใช่ไหมไปแล้วก็ได้ถ่ายรูปกลับมาดูหน่อยแอคชั่นหน่อยแล้วพอดูทีไรก็อยากจะไปอีกที ต้องดัดมันดัดความอยากต้องทำอะไรตรงกันข้ามอยากไปเที่ยวก็ไปวัดแทนอยากจะไปซื้อกระเป๋าก็ไปทำบุญแทนอยากจะซื้อรองเท้าก็เอาเงินที่จะไปซื้อรองเท้ า, าไปทาบุญแทนต่อไปความอยากจะซื้อมันไม่มีแล้วเพราะมันซื้อไม่ได้เพราะมันเอาไปทำบุญหมดแล้วทำบุญมันก็มีความอิ่มใจสุขใจสบายใจต่อไปมันก็ไม่อยากจะซื้ออะไร ถ้ามีเงินก็ไปทําบุญดีกวา่าเราต้องสู้กับความอยากยาการปฏิบัติทางปัญญานี้เพื่อสู้กับความอยากการตนก็สู้กับความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอก่อนหน้านั้นก่อนที่จะมาสู้กับเรื่องของร่างกายก็สู้ของเรื่องของของสมบัติก่อนอยังอยากอยากไม่สูญเสียลาบยศสรรเสริญ อยากไม่สูญเสียคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไปก็ต้องพิจารณาว่ามันก็เป็นตายลักเหมือนกันอันนี้จังเหมือนกันอยากไม่อยากเดี๋ยวก็ต้องเสียพ อ, อเห็นว่ามันต้องเสียก็เลยนะเสียได้สละสมบัติได้สละครอบครัวได้ไปอยู่คนเดียวได้ไปบวชได้พ อ, อเห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นแล้วไปยึดไปติดก็จะทุกข์กว่าเปล่าก็ปล่อยมันดีกว่า นายนายจะจากกันก็จากวันตอนนี้จากตอนนี้เรายังสามารถไปทำประโยชน์ได้เรายังไปบวชไปปฏิบัติธรรมเพื่อจะไปปล่อยสิ่งอย่างอื่นที่เรายังปล่อยไม่ได้คือร่างกายแล้วก็เวทนาแล้วก็การอารมณ์ไปปล่อยมันปล่อยไปเรื่อยๆพอปล่อยปล่อยร่างกายได้ปล่อยเวทนาได้ปล่อยการอารมณ์ได้ก็ยังเหลือปล่อยจิตไม่ได้ยังไปติดที่จิตก็ต้องไปปล่อยที่จิต ก็ยังไปยึดไปติดจิตไปพึ่งจิตนะพึ่งความสุขในจิตอีกความสุขในจิตก็ไม่เที่ยงอีกความสุขในจิตมันก็อันนี้จังอีกเหมือนกันถ้าไปพึ่งไปยึดไปติดพอความสุขในจิตมันเสื่อมก็ทุกข์ขึ้นหน่อยอีกพอเห็นว่าทุกข์เกิดจากความอยากที่จะให้ความสุขในจิตมันเที่ยงก็อย่าไปอยากมันมันสุขก็สุขมันไม่สุขก็ไม่สุขมันเกิดดับเกิดดับเหมือนแสงหินห้อยความ ความสุขในใจอันนี้ความสุข น, นี้ไม่ได้เกี่ยวกับทางร่างกายแล้วนะไม่ได้เกี่ยวข้องกับรูปเสียงกินรสอะไรนะแต่มันเกี่ยวกับความสงบไม่สงบของจิตถ้าจิตสงบมันก็สุขพอจิตมันฟุ้งขึ้นมามันก็ทุกข์ขึ้นมาพอรู้ปักเนี่ยมันก็มีสติคอยดูตัวนี้คอยดูไม่ให้มันฟุ้งไม่ให้มันอยา แ้วมันจะสุขมันจะทุกข์ก็รู้ว่ามันไม่เที่ยงมันอนิจจังทุกขังแล้วนะตาต่อไปมันก็ปล่อยจิตได้จิตจะสุขก็ได้ไม่สุขก็ได้จะทุกข์ก็ได้พอปล่อยได้จิตมันก็เลยพลิกหน้ามือเป็นหลังมือไปจิตมันก็เลยว่างไปทีนี้มันก็ไม่มีอะไรมันว่างเพราะไม่ไม่มีความอยากที่ไปทำให้มันเกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมา มันก็สบายมันก็เบามันก็สุขไปตลอดเนีที่มันไม่สุขตลอดเพราะมันมีความอยากยังมีความอยากอยู่ยังอยากให้จิตเที่ยงอยู่ยังอยากให้ความสุขในจิตเที่ยงอยู่เพราะรู้ว่ามันไม่เที่ยงปล่อยมันเพราะปล่อยมันปั๊บเลยมันก็เลยกลับกลับมาเที่ยงกลับมากลับมาว่างกลับมาสงบตลอดเวลานี่คือ เรื่องของการปฏริบัติพอจิตไม่มีความอยากกับอะไรทั้งหมดแล้วมันก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายเมื่อทุกข์อย่างที่พวกเรากาลังเป็นกันอยู่ในขณะนี้น่าจะเป็นกันอยู่ไปเรื่อยๆเราต้องพยายามเข้ามาศึกษาฟังเทศฟังธรรมบ่อยๆให้รู้ว่าเราต้องทำอะไร ตอนนี้เราอยู่ชั้นไหนชั้นอนุบาลชั้นปหนึ่งหรือชั้นมัธยม <c oughs> เรายังติดเงินทองอยู่หรือเปล่าถ้าติดเงินทองก็ต้องมาปล่อยเงินทองก่อนอมาทําบุญอถ้าเรายังติดกับการทําบาป ก, ก็ต้องมาเลิกทําบาปถ้าเราติดเที่ยวก็เราก็ต้องเลิกเที่ยวเข้ามาขยับเข้ามาเรื่อยๆเราก็มา ฝึกจิตทำจิตให้สงบฝึกสติถ้ามีสติเราก็จะปล่อยสิ่งต่างๆได้วเวลาจิตสงบมันก็ไม่คิดถึงสิ่งต่างๆตอนนี้ทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่เราไม่ได้คิดถึงมันเราไม่กังวลใช่ไหมเดี๋ยวถ้าเราไปคิดถึงมันป้าบเราจะกังวลขึ้นม า, ท, าทันทีเอ๊อยู่หรือเปล่าคเอินถ้าได้ข่าวว่าจะมีเหตุการณ์ธนาคารจะเจ๊งขึ้นไหม ใจก็วุ่นกันมา ท, ทันทีแต่มันจะเจ้งก็ห้ามมันไม่ได้เห็นถ้าไม่อยากจะไปทุกข์กับมันก็อย่าไปอย่าไปพึ่งมันอย่าไปพึ่งเงินพึ่งทองมาพึ่งความสงบดีกว่ามาทำใจให้สงบถ้าใจสงบแล้วมีความสุขไม่ต้องพึ่งเงินทองไปซื้อความสุขกันตอนนี้เรายัางต้องใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆ ถ้าเรานั่งสมาธิทำใจให้สงบได้เราก็ไม่ต้องใช้เงินเทอาไปซื้อความสุขอยากมีความสุขก็นั่งหลับตาพุโทโธพุโทโธไปดูลมหายใจไปความสุขก็เกิดขึ้นมาไม่ต้องเสียเงินไปแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากออกนอกบ้านไปซื้อไปดูไปฟังอะไรไปกินไปดื่มอะไรแต่เรากลับมาก็หายไปหมดเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องไป แต่ถ้านั่งสมาธิได้ก็ตัดปัญหาเหล่านี้ได้ไม่ต้องไปเที่ยวเวลาอยากจะมีความสุขก็นั่งหลับตาไปนั่งสมาธิไปพุโทโธพุโทโธไปดูดูดลมหายใจไปทำใจให้สงบอย่าให้มันคิดนะพอมันนิ่งแล้วมันก็จะเกิดความสุขขึ้นมาทาบ่อยๆต่อไปมันก็บีที่พึ่งทางใจทำนางสารนางกระชามิเนี่ยคือ การปฏิบัติธรรมเนี่ยเร้ว่าธรรมังสาน ร, ระกัจฉามิถ้ามีธรรมะเป็นสานะก็เหมือนกับมีพระพุทธเจ้ามีพระสงฆ์เพราะพระพุทธเจ้าก็สอนให้เราปฏิบัติธรรมพระสงฆ์ก็สอนให้เราปฏิบัติธรรมพอเราปฏิบัติธรรมก็เท่ากับเรามีพระพุทธเจ้ามีพระสงฆ์อยู่กับเราอฉะนั้นขอให้เราตัดสิงต่างๆแล้วก็มา สร้างความสุขทางใจกันดีกว่ามาฝึกนั่งสมาธิมาฝึกเจริญสติกันคอยควบคุมความคิดนวันวันหนึ่งตั้งแต่ตื่นขึ้นมาอย่าปล่อยให้คิดด้วยเปื่อยถ้าจะคิดก็คิดเฉพาะเรื่องจําเป็นที่ต้องคิดถ้าคิดเรื่องเรื่อยเปื่อยก็หยุดมันใช้พุโทโธพุโทโธหยุดนั้นเช่นเวลาอาบน้ํานั่งหน้าแปรงฟันนี่มันไม่ต้องคิดอะไรนะ <c oughs> ก็อย่าให้มันคิดให้มันอยู่กับพุโทโธพุโทโธไป ถ้ามันไม่ยอมอยู่กับการล่างหน้าแปลงปันมันจะไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ก็ใช้พุโทโธหยุดหนึ่งถ้าหยุดมันไม่ได้เวลานั่งสมาธิมันก็จะไม่ยอมหยุดถ้ามันไม่ยอมหยุดคิดมันก็จะไม่สงบนั่งแล้วแทนที่จะมีความสุขกับมีความทุกข์ <c oughs> นั่งแล้วอึดอัดลำคาลทนไม่ไหวเดี๋ยวก็ ล, uk, ลุกเลยไม่นั่งก็เลยไม่ได้รับประโยชน์จากการนั่งสมาธิ แต่ถ้ามีสติเวลานั่งแล้วเวลามันคิดก็ไม่ให้มันคิดให้มันอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปอย่างเดียวถ้าอยู่กับพุโทโธไปได้อย่างเดียวเดี๋ยวมันก็สงบสงบแล้วมันก็สบายเหมือนได้ไปเที่ยวรอบโลกมาหนึ่งรอบโดยไม่ต้องเสียเงนินไม่ต้องพาล่างกายไปนั่งเครื่องให้เหนื่อยความสุขที่ได้จากความสงบนี้เหนือกว่าความสุขทั้งปวง ความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวรอบโลกสู้ความสุขที่เกิดจากการนั่งสมาธิไม่ได้แม้แต่จะเป็นชื่องูลาบลิ้นเท่านั้นมันก็ยังเป็นความสุขเพียงแต่ว่ามันมันมันน้อยมันแปบเดียวแต่พอเห็นความสุขแบบนี้แล้วมันก็จะติดใจมันก็จะพยายามนั่งบ่อยๆนั่งมากๆขึ้นยิ่งนั่งยิ่ ง, ย, งยิ่งนั่งก็จะยิ่งได้เพราะยิ่งทำมันจะยิ่งชนานาญ มันก็จะนั่งได้นานขึ้นนานขึ้นไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันก็ไม่ต้องไปดิ้นนนไปหาความสุขทางตาหูจมูกม้นกายพอ ม, มีความสุขแบบนี้แล้วมันก็จะมาะมามาเจริญปัญญาได้มาปล่อยวางสิ่งที่มันยังยึดยังติดยังอาศัยเป็นที่พึ่องอยู่เช่นร่างกายเช่นเวทนาเช่นจิตเนี่ยต่อไปก็ไม่ต้องอาศัยมัน ให้สายความสงบเป็นอย่างเดียวให้จิตสงบระ ง, งับจากความอยากต่างๆความต้องการต่างๆแล้วก็จะมีความสุขไปตลอดพอไม่มีความอยากแล้วจิตก็จะสงบจะมีความสุขไปตลอดตัวที่ทําให้จิตไม่สงบก็คือความอยากนี่แล้วนคิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะอนุโมทนาให้พร ยะถาวะริกวาหาปุราปาริกปุเรนติสาคหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตาหนังอุปกะปติอิทิตังป um ัติตังตุมหังคิดเปาเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะหระโสยะถามณิโชติ อะระโสยะาสพีติโยวิวาชนตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวัตะวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอะิวะธนสีลิตษานิจังวุทฒาปะจายิโนจตารุธมรมวาทานติอายุวันุสุขัง อาลาะจารย์ลูกปฏิบัติธรรมเนี่ยนะคะก็พยายามพิจารณาไปอย่างที่ท่านพายจารย์สอนนมีเหตุการณ์เกิดขึ้นครั้งหนึ่งซึ่งลูกสาวเนี่ยเ้าทำงานแล้วก็เขาจะไปเรียนต่อ แต่ที่ทํางานเนี่ยเขาไม่ยอมตามกฎหมายเขาต้องอนุญาตให้ไปเรียนมันก็เลยเกิดมีเรื่องเขาเขาจะต้องได้คองเพนเซชั่นแต่เขาไม่ได้ก็เลยมีเรื่องเกิดเกี่ยวกับพนาความมายุ่งยากยุ่งยากวุ่นวายเรื่องเอาเรื่องยาวให้เป็นเรื่องสั้นนะคะตอนนี้คนที่เป็นแม่เนี่ยเกิดความวิตกกังวลกลัวว่าลูกจะไม่ได้เรียนใจเนี่ยทุกข์มากือก็ปรากฏว่าโอ้มันใจนี่มัน มันเล่าเราก็มันมันทุกข์กลัวว่าเขาจะไม่ได้เปลี่ยนจไปทุบเรื่องของคนอื่นนะคะแต่ตอนนี้พอมันนั่งคิดพิจารณาจริงๆว่าเอ๊ะทําไมสิ่งที่มันมีเนีายสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆเราอยากจะให้เรื่องมันจบแต่มันไม่จบเมื่อพวกคิดไปคิดมาท่านพระอาจารย์คะจากจิตที่มันกระสับกระส่ายอย่านี้มันหยุดอ่ หยุดหุดหุดทันทีหยุดเหมือนปลิดทิ้งก็เลยมีความรู้สึกว่าเออพระพุทธเจ้ามีจริงจำได้ในวิจารณ์พระพุทธเจ้ามีจริ ง, ง, รรงสิ่งที่ท่านสอนเป็นความจริงตอนนี้ลูกอยากจะมาเรียนถามท่ททานอาจารย์ว่าในการที่เราพิจารณาเนี่ยจุดประสงค์เพื่อที่จะให้เราเนี่ยเข้าใจถึงความจริงที่เกิดขึ้นจริงๆใช่ไหมเจ้าคะคือให้เราไม่ทุกข์กับมันไงที่เราทุกข์เพราะว่าเร า, เรา เราอยากให้มันเป็นฝืนกับความเป็นจริงเราไม่เห็นความเป็นจริงถ้าเราเห็นความเป็นจริงแล้วเราก็จะยอมรับความเป็นจริงเราก็จะไม่ไปอยากให้มันเป็นอย่างอื่นมันเป็นอย่างนี้ไม่ไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ได้แล้วไปอยากให้มันได้มันก็ทุกข์ใช่ไหมแต่พอพอไม่ได้อยากให้มันได้ไม่ได้ก็ไม่ได้มันก็ไม่ทุกข์เพราะจิตมันปล่อยปั๊บเนี่ยมันมันมันหยุดทันทีหยุดหยุดทันที มันเห็นความจริงว่าไม่ได้จะไปอยากได้มันก็ไม่ได้ <Summer. S 1> ตอนนี้ตอนนี้เวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยจุดมุ่งหมายก็คือเพื่อที่จะเลาเพื่อที่เราจะได้เห็นความจริงที่เป็นความจริงจะได้หยุดความจะได้หยุดความอยากอนะ่ะเช่นจะตายเนี่ยมันเห็นความจริงว่าจะตายบางคนจะตายยังไม่อยอมเห็นยังไม่เห็นว่าจะตายยังคิดว่าจะอยู่มันก็จะไม่อยากตายคือคือ <c oughs> พิจานาไปเนี่ยพอเราเห็นความจริงจริงเนี่ยเราเข้าใจจริงๆเนี่ยมันจะปล่อยจิตมันจะปล่อยใช่ไหมใช่มันจะหยุดความอยากค่ะแล้วมันก็จะไม่ทุกข์กับสิ่งนั้นอ่จิตมันจะนิ่งอที่ที่่านอาจารย์ว่าให้จิตมันมันเออเป็นอุเบกขาอ่าเนี่นแหละคือหมายความว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามจิตมันจะนิ่งเอถ้ามันนิ่งแสดงว่ามันเห็นความจริงถ้ามันไม่นิ่งแสดงว่าไม่เห็นความจริงมันยังอยากให้เป็นอย่างนั้นอยู่ ลิฟลูกฟัง เ, เทปของหลวงตาบัวตั้งแต่ไปนอนที่ห้องไอซูเนี่ยนะคะเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยก็ฟังเทปของท่านของหลวงตาบัวชุดเตรียมพร้อมอะคะ่ะทีแรกก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ฟังไปฟังมาทุกวันเนีมันสนุกมันมันจับใจความได้เข้าใจว่าจริงๆเนี่ยจิตเนี่ยมันสําคัญที่สุดออืใช่ไหมคะใช่ จเนี่ยเป็นตัวที่นําเราไปทุกสิ่งทุกอย่าง <Yeah. S 2> ถ้าเราถ้าจิตเราดีเนี่ยเราก็จะพาเราไปดีอือ mm hmm. ช่ไหมเจ้าคะ <Yeah. S 2> แล้วแต่นี้ถ้าหากว่า <c oughs> ในการพิจารณาเนี่ยถ้าเราเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ย mm hmm. มันจะค่อยๆปล่อยเอง mm hmm. ใช่ไหมเจ้าคะ yeah. mm hmm. ่ะอตอนนี้ไปถึงังอย่างนั้นนะคะตอนนี้มาฟังหลวงตาท่านเทศเนี่ยท่านเทศตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งถึง จากภายนอกเข้าภายใน<ม>พอเข้าภายในปั๊บเนี่ยท่านจะพูดถึงจิตที่สว่างสวยแ<ม>จ่มใส<ม>ประพัดสอน<ม>ออนี่คือจิตที่ปลดจากไอ้กิเลสพูด ๆ, ๆไปใช่แล้ว ม, มันมาอยู่ในนี้<ม>แต่นี้ไอ้จิตที่แจ่มใสประพัดสอนเนี่ยท่านท่านลูกไม่ลูกไม่ทราบว่ารูกเข้าใจตรงหรือเปล่านะคะทุณคู่ก่อนนะคะคือจิตประพัดสอนเนี่ย คือความที่เราไม่เคยเห็นจิตที่มันแจ่มใสอย่างนั้นเราก็อยากจะให้มันอยู่อย่างนั้นใช่ไหมจ๊ะคะเออพอเรามีความอยากอยากจะให้อยู่อย่างนั้นแต่มันไม่อยู่นี่เพราะเพราท่บอกว่ามันมันยังมองมองอยู่ใช่ไหมคะเราก็จะพยายามจับให้มันผ่องใสขึ้นอีกใช่ไหมคะแล้วก็ก็ต้องใช้ไตรลักษณ์เหมือนอย่างที่เราพูดใช่ไหมนนกัปล่อยมันมันจะมันจะเศร้าหมองก็มองมันเศร้าหมองไปมันไม่เที่ยงคอื พอเราไม่มีความอยากแล้วต่อไปมันก็จะเที่ยงของมันเอคืออารมณ์มันไม่เที่ยงแต่ใจเราจะเที่ยงคือใจเราจะไม่มีความอยากแล้วใจเราจะสงบไปตลอดแต่อารมณ์ในจิตมันก็ยังมีขึ้นขนลงลเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือนกับเหมือนกับเหตุการณ์ภายนอกเหมือนกันเหตุการณ์ภายนอกฝนฟ้าอากาศมันก็มีฝนตกแดดออกในจิตเราก็ยังมีอารมณ์ขึ้นขนลงลงอยู่ แต่จิตมันจะนิ่งมันจะเป็นอุเบกขาถ้าไม่ประหยัดให้มันไม่ขึ้นขึ้นลงลงมันก็จะเป็นอุเบกขาที่มันที่มันไม่เป็นก็เพราะประหยัดจะให้มันสว่างไปตลอดอยากจะให้มันมันอัศจริงเพราะฉะนั้นที่ลูกเรียนถามท่านพระอาจารย์นี่ปฏิบัติถูกแล้วใช่ไหมครับคิดถูกก็อ่าไปเป็นสมาทิฏฐิแล้วใช่ไมเ้าค่ะไปเจอตัวของจริงหรือยังเจอแล้วค่ะเจอแล้วก็เจออ จอเล็กๆค่ะเจอตัวเท่าไรค่ะปล่อยข้างนอกได้หมดได้ยังอ่ะปล่อยสามีปล่อยคอนโดปล่อยอะไรได้มันก็ค่อยๆปล่อยได้จยอ่ะก็ยังไม่เล็ปใช่ว่าพดพลาดปล่อยไปแ่าความว่ามันค่อยๆค่อยๆปล่อยไปีละเล็กเจอรน้อยอ่าทำไมไม่ปล่อยพวดพลาดอ่ะบุญบารมียังไม่ถึงใช่ะพยายาม่ะพยายามอยู่ตลอดเวลาได้ก็พอ ก็ถ้ามันปล่อยข้างนอกยังไม่ได้มันจะว่ามันเข้าไปข้างในก็ยังเข้าไม่ได้มันเข้าแบบไม่ได้เข้าไปจริงเข้าไปแบบมองจากข้างนอกเข้าไปไม่ได้เข้าไปอยู่ข้างในจริงๆคือคือฟังที่หลวงตาท่านเทศน์ค่ะ ท่านท่านท่านก็มีเาเท่าเข้าใจตามตามขั้นตอนของการปฏิบัติแต่ยังไม่ได้ปฏิบัติปฏิบัติไปถึงขั้นนั้นยันยันอาจารย์ก็ไม่ใช่รอ่าไปไปไปปล่อยได้เท่าไหร่ก็ยิ่งดีบางคนเขาคิดอย่างนี้เขาเกี้ยไปถึงขั้นนั้นแล้วมีเนี่ยมีบางคนเขาบอกเขาพอเาอ่านเขาฟังเขาเข้าใจแล้วเขาคิดว่าเขาไปถึงขั้นนั้นแล้วไม่แต่มันต้องูที่ต ต้อง 00: 00: 00: 00, อดูทจิตว่าจิตเราเป็นยังไงมั น, นนิ่งหรือเปล่ า, ามั น, มน<อ>ปล่อยจริงหรือเปล่าอบางคนเขาไม่เข้าไม่ดูตัวนั้นเขาดูที่ความเข้าใจเขาฟังเทศเขาเข้าใจโอ้อันนี้ไม่เที่ยงปล่อยอันนี้ไม่เที่ยงปล่อยอันก็ปล่อยปล่อยไม่ได้หรอก่ะถ้าเปลือไม่เข้าใจจริงๆนะคะถ้าถ้าเปื่อไม่เห็นจริงๆแล้วมันปล่อยไม่ได้อืงถึงถึเรียนให้ท่านพระอาจารย์ทราบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนั้นน่ะ เห็นจิตแจิตที่มันกำลังกระสับกระส่ายก็ะจริงอะมันมันจุดเป็นปิดที่ว่าเป็นอ๊มันเป็นแบบอย่างั้นปล่อยจริงใช่อันนั้นปล่อยจริงอ่าปล่อยใจเพราะมันต้องดูที่ตัวจิตตัวที่กาลังทุกข์แล้วมันพอมันปล่อยปั๊เป็นสงบมันมันนิ่งหยุดทันทีหยุดยังก็ปิดที่นั่นแหละตัวหน้าตัวจริงแต่มันต้องปล่อยไปหลาย เรื่อยๆมีตัวไหนอเก็ต้องปล่อยมันไปได้ไหมแล้วตัวไหนปล่อยได้แล้วตัวนั้นจะไม่เป็นปัญหาแล้วไม่แล้วค่ะตัวลูกก็ไม่เป็นปัญหาแล้วค่ะก็ปล่อยไปเรื่อยๆมีอะไรที่ทําให้เราวุ่นวายใจก็ต้องปล่อยมันพอปล่อยแล้วใจก็จะหายวุ่นวายใจเพอาะรู้ว่าเราไปห้ามมันไม่ได้ไปทําอะไรมันไม่ได้มันต้องเป็นอย่างนั้นะ แล้วการที่เราพิจารณาอยู่ตลอดเวลาเนี้ยเพื่อที่ไอ้ไอ้ความหลงที่เรามีอยู่เนี้ยเพื่อที่จะค่อยๆปลดมันออกใช่เพราะเราชอบอยากให้มันเป็นไปตามความความใจตามใจเราเราไม่ยอมมองความจริงว่ามันเป็นยังไงพอความความอยากของเราขัดกับความจริงมันก็เลยทุกข์เราก็ต้องปรับความอยากเราให้มันเข้ากับความจริงพความอยากเข้าตรงกับความจริงปั๊บมันก็หายทุกข์ ใช่เพราะทีนั้นการที่ดูมันนี่ก็โอเคนะคะไม่ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าชีกแท็กไปนู่นไปนี่คือมางเห็นแค้นที่จริงปัญหาอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจใจเราไปยุ่งกับเขาเองไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เองอะไรวุ่นวายใจพอเห็นว่าทำไม่ได้ก็หยุดอยากซะมันก็ไม่ะมันก็หายวุ่นจบ ถ้าจับหล่านี้ได้แล้วต่อไปมันจะแก้ปัญหาได้ทุกทุกทุกข้อมันมันจะแก้ด้วยวิธีเดียวกันเพียงแต่ว่าไอ้ไอ้ตัวตัวตั ว, ต, วตัวปัญหามันเปลี่ยนไปอันนั้นเองแต่ใช้ใชตายักทุกอ่าใช้ตายรักถึงข้างในอ่ตนาต้องเหมือนกันต้องเทนว่าเป็นตายรักหมดแล้วก็อยหยุดความอยากให้มันเป็นอย่างอื่นใจเรามันชอบให้มันเป็นนิจจังสุข ข, ขังอัตตา พอไปเจอนิจจังทุกขังหน้าตาก็รับไม่ได้แต่พอเห็นว่ามันเป็นนั้นจังทุกขังหน้าตาก็ยอมอ่ะพอยอมใจก็หายทุกเอาใจนะ<ต>โอเคเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทํางานเป็นแม่บ้านครับม่ก็อยู่บ้านส่วนใหญ่คนเดียวแต่อยู่ที่เดิเนสซมันทําไม่ค่อยได้ได้เหมือนอยู่ที่เมืองไทยหรอกค่ะ เพราะว่าอยู่กับสามีแล้วบ้านมันเป็นอพาร์ตเมนต์เล็กๆเวลาแล้วเขาจะดูเขาจะฟังวิทยุบ้างเขาจะดูทีวีบ้างอะไรแบบนี้รบกวนกันค่ะรบกวนกันค่ะแต่ถ้ามาเมืองไทยเนี่ยอย่างไปอยู่ที่ที่จามเนี่ยก็อยู่คนเดียวเขาไม่ได้มาด้วยนะยังไม่ให้มาค่ะมาเดินมาเดินพันวากลับก็กับก่อนแล้วลูกอยู่ต่อสองเดือนเลยดีเราก็เลยมีเวลาติดเวก เห็นจึงเห็นความสำคัญของการปิกิเวกไม่การปิกิเวกไม่ตัวเราเนี่ยเห็นค่ะอยากได้มีโอกาสทาอย่างนั้นอนอย่างที่เมืองไทยแต่มันเนยบ่าพวกสาวๆพวกนี้ที่เขาอยู่อย่าแต่ไปมีกู่นะอยู่โสะดีแล้ว ไม่มีรูปแน่นอนเกิด อ, อิ่มไม่มีรูปน่นอนอื็ไม่เอาละเอ็นทุกเขาก็ดีนะคะลูกเขาก็น่ารักเขาก็ดีแต่มันเป็นทุกเห็นว่ามันเป็นทุกทุกอย่างเป็นทุกหมดนะไม่ว่าจะมีอะไรไม่ช้าก็เล็วทุกมากทุกน้อยอแต่ในี้ที่สุดมันก็ต้องทุกท<ะ>อืไม่ได้ทุกเพราะอยู่ด้วยกันก็ทุกเพราะจากกันอเตรียมตัวไว้แล้วค่ะท่านค่ะโอเค พวกเราคนไทยโชคดีได้เห็นความทุกข์ทั่วประเทศเลยจะได้ซ้อมกันไว้เตรียมใจว่านี่แหละคือความทุกข์เวลาเกิดการพัดพา ก, กจากกันน้ำหนักจะทำให้เรามาเตรียมตัวปล่อยสิ่งที่เราหรือบุคคลที่เราใกล้ชิดอยู่ตอนนี้ว่าต่อไปเขาก็ต้องจากเราไปเหมือนกันหรือไม่เค่นั้นเราก็ต้องจากเขาไปแล้วเราจะไม่ทุกข์เพราะเราเห็นหนังตัวอย่างเห็นหนังตัวอย่าง แล้วเราก็ต้องรับมันเรารู้ว่าทําทําอะไรไม่ได้ห้ามมันไม่ได้จะไปถามว่าทําไมมันถามไม่ทําไมมันมันตายก็ตายเนะ่ะจะไปถามว่าทําไมต้องตายมถามไปก็เท่านั้นดูความจริงรับปรับความอยากของเราให้ตรงกับความจริงแล้วก็จะไม่ทุกข์ความอยากเราตรงถัดกับความจริงก็จะทุกข์เขาตายอยากจะให้เขาไม่ตายก็ทุกข์ เขาตายแล้วอยากให้เขาตายก็สุกใช่ไหมเออก็ตา้งอย่างนั้นเน่ะก็ถึงเวลาจะต้องตายก็ให้เขาตายไปเลยเขาก็จะสบายเออทรมานทําไมใช่ไหมไปทรมานเขาทําไมปัญหาอยู่ที่ความอยากและความมืดบอดของเราทําให้เราไม่ปรับความอยากของเราให้ตรงกับความจริงเอเขาไปแล้วยังอยากจะให้เขากลับก็มีบางคนใะ ยังคิดถึงเขาอยู่นะคิดทีไรก็น้ําตาไห ล, ล่อกทีเอนั่งที่เขาไปแลต่ยังไม่กลับแะ้แต่ใจก็ยังไม่ยอมรับยังอยากให้เ้ากลับอยแต่ถ้าไม่มีความอยากให้กลับคิดถึงเขาก็จะไม่เสียใจไม่ร้องไห้ก็คิดว่าเขาไปดีแล้วเขาไปทางของเขาแล้วเราก็อยู่ของเราไปเรามีบุญได้อยู่กันด้วยแค่นี้ก็อยู่กันแค่นี้ไปถึงเวลาก็ต้องพัดภาคจากกันเป็นธรรมดาะออคิดอย่างนี้แล้วจะไม่ทุกข์ เราต้องมีการพัดภาคจากการเป็นธรรมดาล่วงพ้นการพัดภาคจากการไม่ได้ให้ท่องคาถานี้ไว้ pant. เหมือนท่องสูตรคูณสองคูนสองเป็นสี่สองคูนสามเป็นหกต่อไปเวลาเจอการพัดภาคจากการไอ้คาถานี้มันก็จะขึ้นมาเรามีการพัดภาคจากการเป็นธรรมดาล่วงพ้นการพัดภาคจากการไปไม่ได้แล้วมันก็จะไม่ร้องห่มร้องไห้ไม่เศร้าโศกเสียใจ ถ้าไม่มีคาถานี้มันไม่คิดมันไม่อะไรพอไปโอ้ทาไมต้องไปด้วยอย่างงน้อย่างนี้มีคำถามไหมเนี่ยเอามีสักสิบนาทีเดี๋ยวมีคาถามฝากถามเชิญในในกรณีที่ผู้ป่วยที่สมองตายแล้วเราไปเอาอวัยวะออกมาเนี่ยครับ ค, คือเราจะไปเอาอวัยวะออกมาเนี่ถ้าเราออกมาเนี่ยเป็นบาปไหมครับถ้าเขาถ้าจิตก็ยังไม่ได้ปล่อยก็ยังบาป่ พเพราขายังเป็นเจ้าของอยู่นอกจากเ่าเขาก็เป็นเจ้าของเขายังรับรู้อยู่อนอกจากว่าเขาถ้าเขาสั่งไว้นี่ก็ก็ไม่รู้ถ้าเขาสั่งไว้สั่งไว้ให้เอาไปตอนที่เขาตายก็ ย, ยังบาปอยู่เพราะว่าเขาเขายังไม่ตายนคือภาวะภาว่าสมองตายเนี่ยอ่แต่ว่าร่างกายยังไม่ตายอจิตจิตยังไม่จิตจิตยังอยู่ถ้าร่างกายยังไม่ตายจิตก็<จ>ยังอยู่ ต้องหยุดหายใจนั้นน่ะจิตถึงจะไม่อยู่กับร่างกายคือแต่สมองไม่ทำงานเท่านั้นเองแต่ส่วนอื่นยังทํางานอยู่ ล, ล, ลมยังหายใจอยู่หัวใจยังเต้นอยู่อะไรทำนอง น, นี้ก็ยังถือว่าไม่ตายแต่ทางกฎหมายหรือทางหมอก็ถือว่าตายเหมือนกับตายแล้วเหมือนเหมือนตายสเสมือนจริง <laughs> าจากเฟซบุ๊กค่ะจากคุณว น, นาค่ะอาจารย์คะนั่งสมาธิเห็นกายภายในอยู่นเนือ ง, องควรจะทําอย่างไรคะกายภายในเป็นอย่างไรนะถ้าเห็นเป็นรูปเป็นร่างก็เป็นภาพอย่างนี้ก็ยังไม่สงบ น, นั่งนี้ต้องการให้มันจิตสงบนิ่งไม่มีอะไรให้เห็นให้มันว่างอย่างเดียวถ้ายังไม่ว่างก็ต้องภาวนาต่อไป ถ้าพุโทโธก็พุโทโธต่อไปถ้าดูลมก็ต้องดูลมต่อไปอย่าไปดูกายข้างในอย่าไปดูภาคข้างในอันนี้มันจะมันยังไม่สงบยังไปไม่ถึงจุดที่เราต้องการจะไป mm. ก็ดูลมไปเรื่อยๆรืพุโทโธไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะวุบลงไปรวมแล้วก็หายไปหมดเหลือแต่ความว่างเหลือแต่ผู้รู้เนี่ยผู้รู้นี่แหละคือคือกายในที่แท้จริงคือผู้รู้ ถ้ากายในที่เป็นภาพนี้มันเป็นภาพที่ผลิตขึ้นมาจากสังขารความคิดปรุงแต่งมันไม่ใช่ของจริงมันเป็นตายรักอนิจจ์ทุกขังอนัตตา ต, ตัวผู้รู้นี้ไม่เป็นตายรักไม่เป็นอนิจจ์ทุกขังอนัตตาคํถาถามข้อต่อไปจากคุณเปาค่ะนิมนต์พระอาจารย์สอนดุว่าแรงแรงให้เอาชนะกิเลสได้ได้ไหมเจ้าคะ ต้องมาต้องมาหาเองถ้าดูแบบนี้ ม, มันไม่มันมันไม่ถึงใจคำถามต่อไปจากคุณชนะตนค่ะการยอมรับสภาวะความจริงของการแก่เจ็บตายแล้วจิตยังจะมีการ กระเทือนหรือกระเพื่อมอยู่ไหมคะโยมรู้สึกว่าเวลากระทบกับสิ่งที่เคยกลัวมากๆใจยังกระเทือนอยู่แต่กลับมาสภาวะนิ่งและวางได้เร็วขึ้นกว่าก่อนปฏิบัติมากมแต่ถือว่ายังวางไม่ได้ใช่ไหมคะใช่ถ้ายังสะเทือนอยู่ก็ยังวางไม่ได้เพียงแต่ว่ามีสติพอที่จะมาแก้ไม่ให้มันสะเทือนนานแต่ยังไม่ทันกิเลสยังไวกว่า ตัวอุปทานความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราของเรามันยังมีกําลังมากกว่าปัญญาของเรากับสมาธิของเรากับสติของเราถ้าสติปัญญาเร็วกะมันจะไม่สะเทือนคำถานต่อไปจะคุณพัสกรค่ะกล่าบพระอาจารย์การพิจารณากายพิจารณาส่วนใดถึงจะเห็นผลมากที่สุดครับ ก็มันต้องพิจารณาหลายๆส่วนะเพราะมันมีหลายมุมมองที่ต้องเห็นอันิีจังคือความไม่เที่ยงก็ตือดูการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตั้งแต่เกิดมาเลยมันตั้งแต่คลอดออกมาจากท้องแม่มันก็เริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆช่วงแรกมันก็จะเปลี่ยนไปในทางที่เราชอบกันคือเจริญเติบโตขึ้นเห็นไหมเราเด็กโตขึ้นทุกคนยิ้มดีใจแต่พอมัน เติบโตจนถึงขีดสูงสุดแล้วทีนี้มันก็จะเริ่มเสื่อมนะสิเหมือนกับปีนขึ้นเขาวพอถึงยอดแล้วมันก็ไม่ขึ้นไปไม่ได้แล้ะมันก็มีแต่จะลงล่ะอพออายุสี่สิไปแล้วในเทนี้หนังก็เริ่มเขียวผมก็เริ่มเงาละอาการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ตามมาแล้วอันนี้ก็ต้องพิจารณาว่ามั น, ม, นมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเป็นวัตถะมันเป็ น, เ ป, นเป็นสภาพของมัน ที่มันมีการเจริญสูงสวดแล้วมันก็จะเริ่มเสื่อมแล้วมันก็ไปถึงวันสุดท้ายมันก็หยุดหายใจพอหยุดหายใจมันก็จะกลายเป็นถ้าทิ้งซากศพไว้มันก็จะค่อยๆเปื่อยผุไปบวเน่าเนื้ออะไรขึ้นไปแล้วก็มันก็ในที่สุดมันก็แย่กันไปส่วนที่เป็นดินก็อยู่ส่วนหนึ่งส่วนที่น้ําก็ไปส่วนที่เป็นลมก็ไปส่วนที่เป็นไฟก็ไปอันนี้ก็ดูให้มันเห็นสภาพ ของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของร่างกายแล้วดูว่ามันไม่มีตัวตนก็ดูเข้าไปค้นหาอาการสาสิสองในร่างกายเราว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราแล้วตัวเราอยู่ตรงไหนก็ลองค้นดูอยู่ที่ผมเหร อ, อยู่ที่ขนหร อ, อยู่ที่เล็บเหรอเวลาตัดผมไปนี่เราไปกับผมหรือเป่เวลาตัดเล็บไปเราไปกับเล็บหรือเปล เราก็ไม่ใช่เล็บเราก็ไม่ใช่ฟันไม่ใช่ผมไม่ใช่หนังไม่ใช่เนื้อใต้ไปเรื่อยๆมันในที่สุดทั้งสาสิบสองอาการก็ไม่ใช่เราเลยก็จะรู้ว่าเป็นการตู่ขึ้นมาของเราเองใจเราไปตู่ขึ้นมาเหมือนเราลืมเราคิดว่าเราลืมเราลืมกุญแจไว้ในกระเป๋าเราก็ต้องไปค้นหากุญแจที่ไหนในกระเป๋าก็ต้องเทของในกระเป๋าออกมาดูในกระเป๋ามีอะไรบนะ้างเทมันออกมาจะได้หายสงสยัย พอเทออกมาคุญแจไม่ได้อยู่ตรงนี้เนา ะ, ะก็แสดงว่ากุญแจไม่ได้อยู่ในกระเป๋านี่ฉันได้ถ้าเราสงสัยว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราก็ลองค้นมันดูเลยคน้นทั้งสาอาการสามสิบสองมันก็เทกระเป๋าออกมาอเอาตับไตไส้พุงมาวางไว้เป็นส่วนๆแล้วแล้วชี้ตรงไหนเป็นเราบ้างหัวใจเป็นเราหรือเปล่าตับเป็นเราหรือเปล่าไตเป็นเราหรือเปล่ากระดูกเป็นเราหรือเปล่ามันก็เห็นว่าไม่มีเลยมันก็เป็นอาการของมันท่านเอง เราไปตูวว่าพอมันมารวมกันเป็นรูปเป็นร่างก็ว่าเป็นเราก็เหมือนกับเราไปซื้อตุ๊กตามาพอซื้อตุ๊กตามาก็เป็นของเราขึ้นมาทันทีใช่ไหมพอคุตุ๊กตาหายก็ร้องห่มร้องไห้โวยวายเนีเพราะเราไปไปไปตัวว่าเป็นของเราความจริงเมันเป็นถ้ามันเป็นของเราก็เป็นของเราชั่วคราวส่วนที่เป็นตัวเราไม่มีเลยในร่างกายมันเป็นของเราชั่วคราวพอมันตายไปมันก็ไม่ได้เป็นของเรานะ พิจารณาอย่างนี้จะได้ปล่อยวางร่างกายได้ไม่หลงกับร่างกายแล้วก็ขณะพิจารณาดูการสานิสงดูซรากศพมันก็จะเห็นความไม่สวยงามของร่างกายไปเวลาเกิดการอารมณ์ก็ให้นึกถึงส่วนที่ไม่สวยงามมันก็จะทำให้ความอยากความไข้ในร่างกายของคนค น, นั้นคนนี้หายไปได้มันก็จะไม่ต้องไป ไปง้องเขาไปคอยเฝ้าไปขอร้องเขาให้เข้ามาเป็นแฟนเราเมื่ออยู่กับเราเอ้วอยู่กันแนละ้วเดี๋ยวก็ทะเลาะ ก, กันอีกใช่ไหมอยู่คนเดียวดีกว่าถ้าไม่มีการมาลมแล้วมันจะไม่เหงาไม่ว้าเหว่ยอันนี้คือการพิจารณาส่วนต่างๆของร่างกายเอแต่โทษไหมคะว่าอันนี้มันจะตามไปถึงชาติหน้าไหมคะก็ติดเป็นนิสยัยไปไงออ ถ้าคนคิดไม่ชอบคิดไม่ดีมันก็คิดไม่ดีอยเรื่อยๆเกลียดคนนั้นเกลียดคนนี้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าคนคิดให้อภัยคิดเมตตาไม่ถือโทษโกรธเคืองกันมันก็จะติดนิสัยไปต่อไปใครก็ทําอะไรเราเราก็ให้อภัยเขาไม่ถือโทษโกรธเคืองไปแล้วก็จะไม่รู้สึกมีความทุกข์ใจกับใครแต่ถ้าเราติดนิสัยอาฆาตพยาบาทฟันต่อฟันตาต่อตามันก็จะแค้นไปเรื่อยๆใครมาทําให้เราไม่พอใจหน่อยเราก็จะโกรธจะแค้นไป มันก็เป็นกรรมแบบนี้ก็ เ, เรียกมโนกรรมแต่จะไม่มีผลจากผู้อื่นมามาํม า, มาทำเราแต่ถ้าเราไปทำร้ายเขาด้วยเขาเขาเจอเราคราวหน้าเขามีโอกาสทำร้ายเราเขาก็จะทำร้ายเราครับกาัวมันข้ามชานี้เราคิดดีมันก็จะติดไปแล้วราที่แล้วเราทาดีมาเราเคยคิดดีมาเรวก็คิดดีต่อ เคยขโมยมันก็จะขโมยต่อเคยโกหกมันก็โกหกต่อเคยทำบุญมันก็ทำบุญต่ อ, อแบบที่ไม่ต้องใครมาชวนนะนี่คือทำเองโดยอัตโนมัติเนี่ยแสดงว่ามาจากชาติที่แล้วแต่ถ้าต้องมีคนชวนนี่ก็แสดงว่าชาติที่แล้วไม่มีต้องมีคนมาชวนถึงจะไปแสดงว่าไม่มีของเก่าอยู่ในใจไม่ว่าจะเป็นไปชวนไปทำบุญหรือชวนไปทำบาป ก, ก็เหมือนกัน มีอีกไหมเอาหมดแล้วอีกสามข้อเลยสามข้อจบเนะทางจากคุณบูมค่ะโยมโบวชมาแล้วศึกต่อไปจะอยู่ด้วยให้ได้ดีอย่างไรช่วยชี้แนะหน่อยครับก็อยู่เหมือนตอนที่บวชเนะี่ยเพียงแต่ว่าอาจจะทําไม่ได้เข้มข้นเท่ากับตอนที่บวช <c oughs> ก็ยังดีกว่าไม่ทําเลยพยายามทําให้ได้มากที่สุดเท่าที่สมัยที่เราบวชเกิด ร, รักษาศีลไปทําบุญทําทานไป ภาวนาไปถ้ามีเวลาตัดความโลภตัดความอยากต่างๆให้มันเบาบางลงไปเรื่อยๆเหมือนกับตอนที่เราบวชนะเพียงแต่ว่าเราอาจจะมีภาวะที่บีบบงังคับให้เราต้องออกมาจากการบวชเราก็เลยอาจจะไม่ได้ปฏิบัติเต็มเข้มข้นเท่านั้นเองแต่เราไม่ควรทิ้งมันควรทําต่อไปให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เพราะว่าต่อไปเราอาจจะมีโอกาสได้บวชอีกก็ได้เราจะได้ไม่เสียเวลา จะได้ไปทําต่อยอดได้เลยคำถามจากคุณมณีการค่ะทําทานอย่างเดียวไปนิพพานได้ไหมครับคงไม่ได้มันถ้าทําทานจะเฉพาะอข้าวของเงินทองแตวถ้าทําทานทุกอย่างร่างกายก็ทําทานเวทนาก็ทําทานปล่อยทุกอย่างได้มันก็ไปนิพพานได้การไปนิพพานก็ให้ปล่อยทุกอย่างปล่อยกายปล่อยเวทนาปล่อยจิตเนี่ย นี่ก็เหมือนกับเป็นการทําทานเหมือนกันแต่ถ้าทําทานแบบลักษณะทั่วไปคือจ่ายเงินจ่ายทองไปนี้ไปไม่ได้ เ, เพราะมันยังยังยังยังปล่อยไม่หมดปล่อยเพียงแต่เงินทองเท่านั้นเองการปล่อยเงินทองเพื่อเราจะได้มีมีเวลาไปไปปล่อยอย่างอื่นต่อไปถ้ายังปล่อยเงินทองไม่ได้มันก็จะไปปล่อยร่างกายปล่อยเวทนาปล่อยจิตไม่ได้คําถามสุดท้ายนะคะจากคุณข้ากรค่ะ คำว่าชาญกับคําว่าผู้รู้หมายความว่าอย่างไรครับบางทีอาจจะเขียนปิด น, นะยานหรือเปล่ายานกับชานนี้มันไม่เหมือนกันนะยา น, ยานนะยานก็คือคยานก็คือความรู้ที่เกิดขึ้นไงยานอย่างทราบเนี่ยคือความรู้ที่เกิดขึ้นเ<ร>ช่น ว, วิปัสสนาอะรนะวิมุตติทัศนา์ญาณทัศน์ น, นี่ก็คือญาณที่ปรากฏขึ้นว่าได้หลุดพ้นแล้วจากความทุกข์ทั้งหลายอันนี้คือความรู้ที่เกิดขึ้นในใจเราเรียกว่าญาณเช่นมียาณอย่างทราบว่าเ้ากําลังด่าเราอย่างนี้ <c oughs> เขากําลังอิจฉาเราหรือเขาเข้าังคิดถึงเราอย่างนี้ย <c oughs> นี่ก็เรียกว่าญาณคือการรับรู้การรู้ส่วนผู้รู้นี้เป็นผู้รู้ที่รู้ญาณอีกทีนถ้าไม่มีผู้รู้ก็ญาณ ก็ไม่ม en> <ts> ีใครรู้แต่ผู no aries, ้รู้นี้ไม่มีวันเกิดไม่มีวันดับผู้รู้นี้เป็นผู้รับรู้ทุกเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นในใจของผู้รู้นี่เองแต่ว่ารู้รู้จริงหรือรู้ไม่จริงรู้ผิดหรือรู้ถูกนี่อาจจะไม่รู้ต้องอาศัยปัญญามาสอนอีกทีนึงว่ารู้แบบนี้ไม่ถูกรู้แบบนี้ถูกสิ่งนี้ไม่ถูกสิ่งนี้ผิดนี่อันนี้ต้องมีปัญญา ผู้รู้ก็เพียงแต่รับรู้รู้ไปเฉยๆท่านั้นเองส่วนยาเนี่มันก็เป็นเรื่องเฉพาะเรื่องๆไปรู้เรื่องนี้ก็เป็นยาเรื่องนี้รู้เรื่องนี้ก็เป็นญาเรื่องนี้รับรู้เป็นเรื่องๆไปก็เป็นยาแต่จิตคือผู้รู้นี่ก็รับรู้รู้รู้ยาอีกทีหนึ่งรู้ว่ามีความรู้อย่างนี้เกิดขึ้นแล้วรู้ว่ามีมีวิปุวิมุตติญาณทัศนะเกิดขึ้นแล้ว รู้ว่าพบชาติหมดแล้วนี่อันนี้ก็รู้อันนี้ก็เป็นญาณแล้วก็พูดรับรู้รู้อีกทีนึ่งพูดรู้รู้อีกทีว่าเกิดญาณอย่างนี้ขึ้นมาแต่ยังไม่ต้องไปกังวลกับมันมากหรอให้กังวลกับกิเลสดีกว่าว่ามันยังโลคโกรธหลงอยู่เปล่ามันยังอยากอยู่เปล่ามันยังทุกข์อยู่เปล่าถ้าจะรู้ให้รู้ทุกข์ดีกว่ารู้ว่าทุกข์เกิดขึ้นแล้วรู้รู้เปล่าว่าสาเหตุของความทุกข์นี้เกิดจากอะไรถ้ารู้แล้วหยุดมันได้หรือเปล่า ถ้าหยุดนไม่ได้เพราะขาดอะไรก็ไปหาเส้นไฟเกิดไฟลุกขึ้นมาแล้วอยากจะดับไฟไม่มีน้ําดับไฟก็ต้องรีบไปหาน้ํามาดับไฟออพอมีน้ําก็ดับไฟได้พอมีทุกเกิดเกิดขึ้นมาแล้วดับทุกข์ไม่ได้หยุดความอยากไม่ได้ก็ต้องไปเอาสมาธิเอาปัญญาเอาสติเอาปัญญามาเป็นเครื่องดับความทุกข์อีกทีนึ่งอย่า ง, งออออตอนนี้เราไม่มีน้ําดับไฟมีแต่ไฟ ไม่ชอบก่อไฟกันก่อความทุกข์กันด้วยความอยากกันแล้วพอทุกข์แล้วก็ไม่มีไฟไม่มีน้ำมาดับไฟไม่มีสติไม่มีปัญญาชอบจุดไฟเผาตัวเองแล้วก็ไม่มีน้ำมาดับปล่อยให้มันดับกว่าจะดับได้ก็หอยเหนื่อยนะแต่ก็ไม่เข็ดเดี๋ยวก็จุดไฟก็หมดทุกข์เรื่องนี้ก็เดี๋ยวก็ไปหาทุกข์เรื่องอื่นต่อ